ธรรมะบวกอิขะธรรมะบวกอิขะธรรมะก็คือพระธรรมอ่ะ น, นะอิขะนแปลว่าเห็นันแปลว่าสถูปเป็นที่เห็นธรรมนั่นนะธรรมะธรรมเมฆาสถูปอ่ะ น, นะก็ธรรมะบวกอิขะอิขะก็แปลว่าเห็นก็คือสถูที่เห็นธรรมนั่นเองเนี่ยนะในเอกสารที่ที่ทำไปเนี่ยนะทั้งทั้งสองเลยนะทั้งสองเจ้าทั้งของอามาทำมากับ ของอาจารย์สุรภาธรรมนี่ก็เรื่องเดียวกันนะนะคือเกี่ยวกับเรื่องธรรมจักรกับประวัตนาสูตรธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนั้นเป็นพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเห็นไหมเพราะว่าเป็นพระสูตรที่แสดงกับผู้ที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าที่สุดในสมัยที่พระองค์ยังเป็นท้าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าเป็นผู้ปรนิบัติรับใช้ในสมัยที่พระองค์บำเพ็ญเพียรทั้งหมดเห็นั้นเนื้อหาพระธรรมที่แสดงในธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะเท่ากับประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะั้นการตั้งการเรกที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะถ้าเข้าใจในสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรู้กับก็เท่ากับว่าเข้าใจธรรมจักละเห็นนะเพราะว่าธรรมจักก็คือเอาธรรมะที่พระ อ, องค์ตรัสรู้นั่นแหละมามาแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังมันจะขอยยะกล่าวย้อนไปที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยนะในตอนที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ นะพูดถึงตอนเช้าของวันวิสาขะก่อนนะตอนเช้าหรือคืนของคืนเท่ากับว่าคืนก่อนรุ่งอรุณก็เป็นวันวิสาขะใช่ไหมในคืนนั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ฝันนะตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุนะเป็นพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นความฝันครั้งสุดท้ายใครว่ามหาสุบินนิมิตเหมือนกันนะของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องฝันเหมือนกันเห็นไหมความฝันเอ่อเช่นฝันว่า นอนเนี่ยนะนอนทับบนแผ่นดินทั้งหมดเลยนะมีภูเขาเป็นทักนเสนยห์เหนนเถอะเท้าเนี่ยหย่อนลงไปในสมุดนะเป็นตัวใหญ่มากกันนะนอนทับแผ่นดินเสร็จ แ, แล้วก็มีหญ้าเนี่ยงอกอกอกจากท้องเนี่ยขึ้นสูงจดท้องฟ้าแล้วก็เดินบนภูเขาอุจจาระแต่ไม่แปดเปื้อนนะแล้วก็หมูนกทั้งหลายต่างสีต่างทิศบินเข้ามามาประชุมรวมที่กลุ่มเนี่ยกลายเป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยนะ อันนั้นเรียกว่าเหตุการณ์ที่เป็นพระมหาสุบินนิมิตของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก่อนทีนี้พอเช้ามาเนี่ยนะอันนี้รวบรัตนะพอเช้ามาท่านก็ไปรับอาหารของนางสุชาดาเนี่ยนะนะซึ่งก็ไปไปอยู่ที่โคนต้นไทรอ่นะนางสุชาดาก็เอาอาหารที่เรียกว่าข้าวปลายาติอย่างดีเนี่ยนะที่เขาจะมาบูชาเทวดา แต่ว่าเทวดาที่รับนั้นกลายเป็นพระโพธิสัตว์เห็นไะหพระโพธิสัตว์ก็มารับอาหารก็เอาอาหารนี่แหละไปไปปั้นเป็นก้อนๆได้49ก้อนเห็นไหมเป็นก้อนๆ49ก้อ น, ก, อนก็เทียบว่าอาหาร49ก้อนนี้จะดํารงชีวิตอยู่49วันเห็นไหมก็คือจากนั้นอีก49วันไม่รับประทานเลยไม่ฉันอะไรอีกเลยเห็นไหมท่านพระองค์ก็ ชั้นอาหารเนี่ยสี่ิบเก้าก้อนแล้วถาดก็เอาไปลอยน้ําเนี่ยนะก็ไปเสียงทายนะเสียงทายดูว่าวันนี้จะได้บรรลุไหมวา ง, งั้นเถอะถ้าได้บรรลุนี่ขอให้ถาดลอยทวนน้ําเสร็จแล้วถาดก็ลอยทวนน้ําเหมือนกันเสร็จแล้วก็จมลงเนี่ยนะลอยทวนไปก่อนแล้วก็จมลงอันนี้อันนี้ก็เป็นแรงมั่นใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้ต้องบรรลุแน่นอนอนะก็อาศัยนิมิตแล้วก็พักผ่อนทั่วไปทีนี้พอ บ่ายเย็นๆเนี่ยก็รับญ้าจากโสธยพราหมณ์ก็ถวายย่ามา8กรรมเนี่ยไงก็เอาญ้าเนี่ยไปปูที่ที่โคนที่เรียกว่าพระศีมหาโพธิ์ที่จริงแล้วก็ต้นอศัศวพลึกก็ศีก็มาจากคําว่าสิริใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งไหนที่เรายกย่องมากนะก็จะใส่คําว่าสิริอันนี้เป็นคําไทยจะอะไรก็ตามเถอะถ้ายกย่องนับถือก็จะเพิ่มคําว่าสิริเข้าไปสิริก็เรียก เรียกเป็นไทยว่าสีเนี่ยนะก็สีก็เสริต้นพระสีพระเนี่ยก็คํายกย่องสีแล้วก็มหาโพเป็นต้นพิเศษที่พระพุทธเจ้านั่งแล้วตรัสรู้อริยมรรคยานก็เลยเรียกว่ามหาโพว่างันเถอะเพราะทําให้ได้โพธิญาณอันยิ่งใหญ่เพราะอาศัยต้นไม้นี้เป็นร่มเงาให้ก็เลยเรียกว่าต้นมหาโพก็เพิ่มคําอีกต้นอย่างคือพฤกแปล ว, ว่าต้นไม้เนี่ยนะพฤกษชาตินะ ทีนี้ไอาการเอาหญ้าไปปูเนี่ยท่านก็วางตั้งแต่ปูที่ใต้ก่อนเนี่ยนะไปวางที่ใต้แผ่นดินก็หวั่นไหวไปวางทีต่ตะวันตกแผ่นดินก็หวั่นไหวไปวางที่เหนือแผ่นดินก็หวั่นไหวพอไปวางในทีต่ตะวันออกก็มั่นคงเนี่ยนะก็เกิดเป็นรัตนบัลลังค์ขึ้นก็นั่งอธิษฐานความเพียรเลยเนี่ยนะก็ขึ้นนั่งนั่งอธิษฐานความเพียรว่าเนื้อเนี่ยนะและเลือดในสรีระเนี่ยให้มันเหือดแท้งไป เนี่ยนะร่างกายเนี่ยจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ช่างถ้าไม่บรรลุเนี่ยไม่ลุกแล้วเนี่ยนะถ้าว่าถ้าไม่หมดกิเลสก็หมดชีวิตอ่ะสองอย่างเนี่ยต้องหมดอย่างหนึ่งลังคั้นเถอะเนี่ยนะแปลว่ากามังตะโจรนหารูเนี่ยนะหมายว่าในสรีระเนี่ยจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดในสริระจะเหือดแห้งก็ช่งางเถอะเนี่ยนะถ้าไม่ได้บรรลุในครั้งนี้ไม่ลุกแล้ว นนะแล้วก็ ก, การอธิษฐานแบบนี้นะพระองค์ก็ยังนิยมอยู่แล้วก็สั่งสอนพระภิกษุเนี่ยนะเป็นหลายครั้งมากเลยให้อธิษฐานแบบนี้นะให้ฝึกอธิษฐานแบบนี้เอาไว้เนี่ยนะหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เห็นคุณของการอธิษฐานอันนั้นเนี่ยมากอันนี้สําหรับผู้ที่เขาเข้าใจอยู่แล้วนะว่าเขาจะบรรลุอะไรเนี่ยก็ควรอธิษฐานได้ น, น, นะแต่ถ้าที่อธิษฐานดูนะเผื่อจะบรรลุเนี่ยนะโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะบรรลุอะไรก็ น่าจะอธิษฐานอ่านพระไตรปิดกให้จบสักรอบหนึ่งก่อนนะหัดอธิษฐานแบบนี้ก่อนในตอนแรก น, นะอย่าเพิ่งไปอธิษฐานแล้วนั่งแล้วบรรลุอาจจะบรรลุจริงแต่ว่ามันบรรลุของใครนี่มันอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะอาจจะนั่งไปแล้วเกิดมันหิวเป็นต้นเนี่ยนะมันก็อาจจะฝันแล้วก็นึกว่าได้บรรลุไปแล้วเงี้ยนะแล้ก็ให้มันชัดเจนก่อนว่าถ้าเขาจะบรรลุเขาควรจะบรรลุอะไรอันนี้ก็เหมือนกันพระ อ, องค์ก็อธิษฐานเลยทีนี้พออธิษฐานจบเนี่ยนะพยามานที่เขา เขาคอยติดตามพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะเขดูพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วถ้าหากว่าพระสมณโคดมนี่บรรลุนะจะต้องช่วยสัตว์ให้บรรลุเนี่ยมากเพรา ะ, ะอย่างกันนั้นเลยเนี่ยนะจะวิธีการใดก็ช่างเหอะที่จะไม่ให้พระสมณโคดมนี่บรรลุคือคือธรรมชาติของของสัตว์ทั่วไปเนี่ยนะมันก็จะมีคู่เวนกันใช่ไหมถ้าจะทําอะไรคนหนึ่งมันก็ต้องมีอุปสรรคแหะนะไอคําว่ามาเนี่ยก็แปลว่าผู้ฆ่าหรือผู้ ทำลายที่จริงเขาก็ไม่ไปทำลายคนอื่นอ่ะแต่กับคนนี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เป็นมารแก่กันและกันได้ไหมสมมติว่าถ้าจะให้ทานนะไม่รู้แหละฉันจะห้ามแกไม่ให้อย่างเดียวอ่ะนะอีกคนนั้นก็ถือว่าเป็นมารของคนนั้นนะะเพราะฉะนั้นคําว่ามารนี่มันก็เป็นกลับไปกลับมาอย่างนั่นแหละไม่รู้ใครเป็นมารใครละพระโมคคลานะเนี่ยในพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันธาเนี่ยท่านเป็นพญา ม, มาร น, นะเป็นหัวหน้า ม, มารเลยแหละ เป็นคล้ายๆพญามารแบบท่านมาราทิราชของเราเนี่ยแหละเป็นพญามารนะนะเขามีอยู่ครั้งหนึ่งไปสิงเด็กนี่เอาก้อนดินเนี่ยปาพระปาปาศีษะพระเถระรูปหนึ่งเลยนะศีษะท่านแตกเลยนะพระพุทธเจ้าเหลี้ยวมาดูพักเดียวเนี่ยนะจุติปฏิสนธิแนวเวจีทันทีนะนะอันพญามารองค์นั้นเนี่ยตกนรกเลยนะแต่พญามารองค์นี้นยังไม่ตกนะนะก็อยู่ได้ยาว พยามานี่เขาก็มาเพื่อที่จะขัดขวางว่าถ้าสมณะโคโดมตรัสรู้เนี่ยนะจะต้องช่วยสัตว์บรรลุมากเพราะฉะนั้นอย่าให้บรรลุเลยอ่างั้นแหละก็ขัดขวางทีงนี้การมาขัดขวางอะ่ะก็ขี่ช้างนาลาคิริงเนี่ยมาเห็นไหมเออก็ขี่ช้างมาเพื่อที่จะมาห้ามมาขัดขวางพระองค์ก็อธิษฐานใช่ไหมทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทนเนี่ยนะก็อาศัยทานนบารมีเป็นต้นที่เคย ให้ไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นพยานเพราะฉะนั้นก็อธิษฐานแผ่นดินหวั่นไหวพยา ม, มานก็หนีไปเนี่ยนะพอพยา ม, มานหนีไปหมดเนี่ยนะเหตุการณ์ก็สงบลงพอเหตุการณ์สงบลงแล้วท่านก็เจริญอาณาปานสติเนี่ยนะก็คือเพราะว่าได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตอนที่บำเพ็ญทุกขะรกกิริยาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะ ครั้งสุดท้ายเนี่ยระลึกได้ว่าถ้าเราทําทุกระกิริยา ม, มากกว่านิตา ย, ย่างเดียวแต่ก็ให้ย้อนนึกถึงว่าเออตอนที่เราอายุเจ็ดขวบนะเคยนั่งต้นต้นว่านะต้นชมพูเนี่ยนะภาษาบาลีเรียกว่าต้นว่าภาษาบาลีเรียกชมพูภาษาไทยเรียกว่าว่าเนี่ยนะมันก็ระลึกเออตอนที่เป็นเด็กอายุเจ็ดขวบเนี่ยนะก็นั่งกําหนดลมหายใจเนี่ยนะเจริญอาณาปานสติ นะทำให้ได้ประถมมาชันทางนั้นน่าจะเป็นทางตรัสรู้อย่างแน่เนี่ยนะการทำแบบนั้นน่าจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้แต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยนะพร้อมขนาดนี้จะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงก็เลยหันมาฉันอาหารใช่ไหมพอหันมาฉันอาหารปั๊บปัญจวัคคีหนีเลยท่านบอกว่าท่านเวียนมาหาเวียนมาเพื่อความมากมากแล้วก็หนีไปอยู่ปายสิปตนะมริกทายาวันท่านก็บินทบาทฉันพอมีร่างกายแข็งแรง มันก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเจริญอนาปานสตินั้นเวลาที่พระ อ, องค์นั่งที่โคนต้นโพนี่นะพอดวงอาทิตย์พลบค่ำเจริญอนาปานสติเลยแต่ด้วยความที่ท่านเป็นมหาบุรุษหรือว่าเป็นผู้ที่สะสมบุญมาเต็มเปี่ยมอินทรีย์เนี่ยแก่กล้าเต็มที่กำหนดลมไม่กี่ครั้งก็ทำฌานได้อยู่แล้วเนี่ยนะทำฌานก็ได้ฌานสี่เลยเนี่ยนะก็ฌานหนึ่งสองสามสเพราะอนาปานสตินี้ทาไม่ได้ฌานสี่ ทีนี้การได้ฌานสี่ของพระองค์เนี่ยนะบุคคลทั่วๆไปนั้นได้ฌานสี่จุดมุ่งหมายของการได้ฌานเนี่ยแตกต่างกันแต่พระองค์นั้นอะ่ะถือว่าฌานที่เป็นบาตของอภินญาอนะฌานของพระองค์นะที่เจริญตอนนั้นอะ่ะเป็นบาตเพื่อให้ได้อภิญญาก่อนแล้วก็จะได้เป็นบาตเพื่อบรลุอริยมรรคเป็นบาตของอภิญญาก็คือด้วยการละลึกชาตใช่ไหมท่านก็ละลึกชาติ พระโพธิสัตว์ก็ระลึกชาติเนี่ยใช้เวลาระลึกชาติสี่ชั่วโมงแต่ก็ยังดูดูอยู่ว่าท่านระลึกแค่ไหนสี่ชั่วโมงเนี่ยนะระลึกไปถึงสี่อสงไขยแสนกับหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าท่านระลึกไปแค่ไหนเพราะไม่ได้พบ น, นะยังไม่พบหลักฐานว่าท่านระลึกไปแค่ไหนเนี่ยนะแต่ตอนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะยกเอาข้อความตอนที่สี่อสงไขยที่แล้ว น, นะมาพูดนี่ก็สงสัยเออตอนที่พระองค์ เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะประมมายามแห่งราตรีตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยละลึกชาบิเนี่ยละลึกนานแค่ไหนแต่การระลึกของพระพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระองค์ระลึกทั้งของตัวเองด้วยแล้วละลึกทั้งของคนอื่นด้วยสี่ชั่วโมงถ้าก็สี่ทุ่มผ่านไปแต่ก็ก็น้อมมาเพื่อรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะประพิจารณาเรื่องจุติและปฏิสนธิ จริงๆแล้วในทุกเวลาทุกนาทีนะมีทั้งสัตว์ที่จุติและปฏิสนธิอยู่แล้วใช่หมในทุกเวลานะอย่างสมมติเวลานี้นะก็เป็นทั้งเวลาของผู้ที่จุติก็ไม่ใช่น้อยเป็นเวลาของสัตว์ที่ปฏิสนธิก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะในในอาจจะตรงนี้ไม่มีอาจไม่มีจุติปฏิสนธิใช่ไหมแต่ว่ากำเนิดนี้มีทั้งสี่เนี่ยนะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในท้าคลายแล้วก็เกิดที่เป็น โอปปาติกะมันท่านก็พิจารณาถึงเรื่องตายเกิดจากจุติจะกภพหนึ่งไปปฏิสนธิอีกภพหนึ่งแล้วกรรมไหนนําปฏิสนธิอ่ะเนี่ยนะก็เครียกว่าจุตูปปาปาตยานรู้จุติปฏิสนธินี่ น, น, นอะอะที่ประจักสุเป็นหลักแล้วก็จะมียานเพิ่มอีกคํานึ่งเรียกว่ายะถากรรมมูปขะย า, านรู้จุติปฏิสนธิพร้อมทั้งรู้กรรมกรรมตัวไหนนําเกิดณนะที่ไหนไปที่ไหนเนี่ยนะเขาบอกว่า อุปมาเหมือนกับว่าคนสมมุติว่ามีบ้านหันเข้าเข้าหากันเนี่ยนะสมมติว่าเป็นบ้านหันเข้าหากันนะมีคนนั่งตรงกลางอ่ะนะมองเห็นคนไปคนมาฉันใดผู้ที่รู้จุติปฏิสนธิก็ฉันนั้นหรือผู้อีกนายหนึ่งก็เหมือนกับว่าตำรวจจราจรอยู่กลางถนนอ่ะนะรถมารถไปนี่ก็มองเห็นฉันใดผู้ที่ได้จุตูปปาตยานก็ฉันนั้นเนี่ยนะถ้ามาอย่างเนี้ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนเนี่ยนะมองออกหมดเลย แล้วก็น้อมไปพิจารณาไข้ครวนพิจารณาอย่างนี้อีกสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ ถ, ถึงถึงเท่าไรตีสองนะนะจากสี่ทุ่มถึงตีสองนั่นเองเนี่ยนะทีนี้พอตีสองเนี่ยนะไขครวนอย่างนี้ท่านสรุปมาได้คำหนึ่งว่าสัตว์โลกนี้ลําบากเนาะเพราะว่าเป็นไปกับชราและมรณะอย่างนี้สรุปแล้วในทุกภพภูมิในทุกขนทุกแห่งมีแต่กองทุกทั้งนั้นแหละว่างั้นเหร มีแต่ชราและมรณะมีแต่ความขับแค้นมีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากจริงอยู่นะถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมถ้ามองอยู่แค่นี้นะดูมีความสุขกันมากดูไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่าขยายค่อยๆขยายรัศมีออกไปออกไปออกไปออกไปออกไ ป, ออกไปนะแล้วถ้าหลายๆพบหลายๆภูมิด้วยจึงจะรู้ว่าสัตว์เนี่ยทุกเนี่ยมากเจ้หมถ้า จานแดงเนี่ยนะนั่งแผ่ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะนึกเตียงไข้ได้หมดเลยเนี่ยนะคนไข้ที่นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสสนทนากันเนี่ยนะสบายใจเนี่ยมีหลายเตียงไหมเห็น ไ, ไหมมากไหมคิดว่ามากไหมไม่มากนะแล้วส่วนใหญ่เป็นยังไงรดน้ําเกลือบ้างอะไรบ้างกระว่าไปเนี่ยนะแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ใช่แห่งเดียวใช่ไหมแล้วนั่งอยู่อย่างนี้ใครรู้ว่าในแห่งไม่มีอุบัติเหตุอยู่ เนี่ยนะก็มีทั้งอุบัติเหตุมีทั้งพวกที่ตายแล้วก็พวกร้องไห้กับคนตายเนี่ยนะและไอ้พวกที่เกิดดีใจกับที่ได้เกิดเป็นต้นเนี่ยนะก็มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งร้องไห้เนี่ยนะแล้วก็ขณะเนี้ฝนตกไม่รู้กี่แห่งนะสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าจุติ น, น้อยถ้าจุติเท่าไหร่ให้รู้เธอว่ามีปฏิสนธิเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเว้นจุติของผ้าหันเสียบุคคลที่เหลือนะจุติเป็นอนันตระปัจจัยแก่ ปฏิสนธิทันทีเลยนะแต่ว่าตามสมควรแก่เจตนากรรมเพราะฉะนั้นเวลานึกถึงใครว่าใครตายนะให้พย่าลืมนึกว่าเขาเกิดแล้วปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทิ้งทุกอันนี้เพื่อจะเอาทุกอันใหม่ทิ้งขันอันนี้เพื่อที่จะเอาขันอันใหม่เพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยลำบากหนอเป็นไปกับชราและมรณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบวกโรคภัยไข้เจ็บบวกความทุกข์สารพัดเนี่ยเข้ามากับชราและมรณะเนี่ยนะ แล้วก็ชารามรณะเหล่านี้ถึงจะดำรงอยู่ทุกยากขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้รู้ธรรมะที่พ้นจากชาราและมรณะเลยเนี่ยนะไม่รู้ธรรมะที่สลัดออกจากชาราและมรณะเลยใช่ไหมธรรมะที่สลัดออกจากชาราและมรณะคืออะไรคือ น, นิพพานใช่ไม้มแต่ถึงจะตายเกิดแก่ตายแก่ตายแก่ตายถึงจะมากมายขนาดไหนเนี่ยนะ จักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวนีมีเป็นแสนโกดจักรวาลอย่างในธรรมจักรกับปวัตนสูตรถ้าอ่านอัลกัตถาดีกาเป็นต้นเนี่ยจะรู้ว่าเทวดาที่มาฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่มาเป็นแสนโกดจักรวาลเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักองค์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะท่นก็เลยบอกว่าบางทีเป็นอสงไขไม่มีสักองค์เลยอย่างเงี้ยนะตั้งหลายอสงไขนะไม่มีแม้แต่องค์เดียวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่สะสมบุญไว้แล้วเนี่ยก็จะสแสวงหาว่างั้นเถะใฝ่หาก็มากันก็มาเป็นแสนโกดเพราะฉะนั้นจักราวาลเนี่ยมีมากเมื่อจักราวาลมีมากขนาดนี้นะในจักราวาลอื่นก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดก็มีจักราวาลเดียวเนี่ย น, นะก็มีจักราวาล น, นี้จักราวานนนะลเดียวเรียกมงคลจักราวาลเนี่ยนะก็โอ้มีเยอะอ่ะะ ถ้าถ้าถ้าเอาองค์ประกอบด้านเนื่องเข้ามาเปรียบเทียบนะมีบุญไม่ใช่น้อยๆเลยมีมีมากจริงๆอ่ะนะแต่ทีนี้ว่ากลัวจ ะ, จะล้มบุญหรือเปล่าอย่างนั้นอะไรนะนะคือคือบุญมากจริงๆอย่างนั้นเถอะนะได้เทียบองค์ประกอบตั้งไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะเอานิยามหลายๆสิบอย่างมาจับแล้วนะนะจะรู้ว่ามีบุญจริงๆเห็นไหมก็เหมือนกับพูดแบบสำนวนทั่วๆไปถ้าใครท่องเที่ยวไปทั่วโลกเราจะรักประเทศไทยมากขึ้นอ่ะนะคล้ายๆแบบนี้แหละอย่างนั้นเถอะ นะถึงจะมากขนาดนั้นเป็นไปกับความแก่และความตายแต่สัตว์เหล่านั้นมีใครแทงตลอดพระนิพพานไหมที่สลัดออกจากธรรมะเหล่านั้นไม่มีเลยก็มีแต่แก่ตายแก่ตายเนี่ยนะบวกกับโรคเป็นต้นเข้าไปอีกก็แก่ตายไปเกิดอีกแก่ตายไปเกิดอีกแต่ก็เป็นไปตามกรรมนะไม่ใช่ว่าเออแก่ตายตายแล้วก็เกิดมันนึกเลือกอยากเกิดอะไรก็เกิดดังใจนึกเป็นเงินไหม หมายก่าว่าโอ้โหไอ้ตายเนี่ยตายแน่วะเดี๋ยวชาติหน้าฉันจะไปขอตรงนั้นนะขอเ ก, เกิดนั่นเกิดนี่นะขออย่างใจนึกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้การเกิดก็เนื่องจากกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะถึงจะเกิดมากก็ไม่ได้สุขคติเนี่ยไม่มากนะักนะไอ้ที่ไปสุขคติเนี่ยไม่มากที่มากนี้ไปทุกคติเนี่ยเป็นส่วนมากมันก็บอกเออชาราและมรณะเหล่านี้ที่เป็นไปกษัตริย์ก็ไม่มีใครรู้จักธรรมะที่สงบระงับจากกองทุกเหล่านี้เลย อันนะั้นก็ท่านก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าไอ้ชรา ม, มรณะเหล่านี้มันเกิดจากอะไรไนนะบอกได้มไหมว่าเกิดจากอะไรระบายนะชาติถ้าไม่มีชาตินะชรา ม, มรณะเหล่านี้จะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นใครที่ทุกข์ร้อนทั้งหมดเลยนะเห็นใครทุกข์นะให้รู้เท่าว่าถ้าเขาไม่เกิดทุกข์เหล่านี้ไม่มีสําหรับเขาหรอกเนี่ยนะอย่างในนรกเหมือนกันถ้าทุกข์ในนรกนะถ้าไม่ปฏิสนธิในนรกนะจบเลยเรื่องนรกไม่ต้องคิดแก้ เนี่ยนะถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นเปรตนะปัญหาของเปรตก็ไม่ต้องคิดแก้ถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานปัญหาเดรัจฉานไม่ต้องแก้ถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นมนุษย์นะปัญหาของมนุษย์ก็ไม่ต้องแก้เพราะฉะนั้นนี่ความเกิดนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจยัยเป็นนิทานเรียกว่าสมูทัยของความชราแล้วก็ความตายเนี่ยนะอ่าแล้วเกิดนี่มาทํำยังไงทํายังไงจึงจะได้ไม่ปฏิสนธิอะ่ะทํายังไงจึงจะเลิกปฏิสนธิอ่านะ ก็น่าคิดเหมือนกันนะเอ๊อันนี้อันนี้ของมาคิดเองนะแล้วก็เม <mm ื่อไหร่นะจะได้เล claro ิกเห็นยมผู้หญิงก็บอกก็เลิกคิดว่าแม่ททีหนึ่งว่างั้นเถอะทำไมว่าจะได้ไม่ไม่นอนไม่ต้องไปนอนในคันอีกเนี่ยนะเมื่อไหร่จะได้พูดคํานั้นสักทีก็เคยนึกทีนึกเหมือนกับว่าเราจะต้องไปเกิดในคันของเขาอีกแต่อย่างนี้เดือดร้อนแน่รู้ว่ามีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นทำยังไงเห็นว่าเออนะพวกที่เกิดในคันจะต้องไม่เกิดในปฏิสนธิในคันอีกทํายังไงเห็นไข่นะจะต้องไม่ไปปฏิสนธิเป็นไข่ทําไมเห็นมดเห็นปลวกแล้วแต่ไม่ต้องปฏิสนธิเป็นมดเป็นปลวกเลยนะทํายังไงจึงจะห้ามปฏิสนธิเหล่านั้นเหล่านั้น น, น, นั้น น, นได้เนี่ยนะก็ถามว่าเอไอ้ความปฏิสนธิเนี่ยมีอะไรหนอเป็นเหตุเกิดนะทำไมจึงปฏิสนธิเพราะ กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะสรุปเป็นเรียกว่ากรรมภพอ่ะ น, นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะนำเกิดเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่เรามองหรือทั่วๆไปที่เราคิดกันนะเห็นใครพูดเห็นใครมีพฤติกรรมเห็นใครคิดอยู่นะเรานึกไหมว่าอันนี้นําเกิดนะเขาเขาสามารถเกิดเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ได้ปัญหาประเภทนี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะ น, นึกกันเลยนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งปฏิสนธินั้นก็กรรมเป็นปัจจัยจึงมีชาติอแล้วกรรมตัวเนี้ทํำยังไงมันจึงเลิกให้ไม่ให้ปฏิสนธิได้ไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยใช่ไหมปัจจัยที่ทําให้กรรมนําปฏิสนธินั้นก็คืออุปาทานนี่นนะความยึดถือนั่นเองนะความยึดถือ พราะเมื่อมีความยึดถือนั่นแหละจึงเป็นตัดใจแห่งกรรมก็ยึดถือทั้งที่เป็นกามมปาทานแล้วก็สรุปนะตัณหาและทิฏฐินั่นแหละจึงเป็นกรรมถ้าไม่มีตัณหาและทิฏฐินะมันจะไม่เป็นกรรมหรอกแต่เนื่องจากตัวตัณหาและทิฏฐินะจึงเป็นกรรมนะอย่างอย่างข้อมาที่กําลังพูดนี่ถ้ายังละตัณหาและทิฏฐิไม่ได้คําพูดเหล่านี้เป็นวจีกรรมหมดเลยทุกคําที่พูดออกไป อันนี้พูดนะทุกครั้งที่เห็นนะชาวนะเกิดนี้เป็นมโนกรรมหมดมันก็ทำกรรมเนี่ยบาลเลยนะถ้ายังละตัำหาและทิฏฐิไม่ได้